พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่ส2องโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กุุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าเกี่ยวยามุงเมืองวันนี้เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560วันนี้หนาวนะ หนาวกว่าทุกวันที่ผ่านานมาสมชายมันร้องอยือยอดไม้แต่ชาวชาวนี่โอ้ยหนาวหนาวสมชายร้องประกาศหนาวหนาวงานในวัดของเราก็พกคูบาทั้งหลายที่อุตกระภัยที่ น้ำท่วมก็รู้สึกว่าเบาบางขึ้นมาแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยที่ว่าสิ้นเดือนนี่น่าจะจบทุกอย่างตรงพ่อไปดูแลงานก็รู้สึกไปได้ดีกูบาทั้งหลายแล้วก็พร้อมกับชาวบ้านช่วยๆกันการทำงานก็เป็นไปในแนวทางที่ดีเพราะว่าท่านหน่อยเป็นคนวางแผนงาน ถ้ามีหัวงานหัวหน้างานที่ดีมันเป็นยังไงน่ะลูกหลานถ้าว่าทำงานจึกไหนก็ตามถ้าได้หัวหน้างานที่ดีเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็งานจะไปได้ดีเรียบร้อยราบรื่นไม่ว่าเรื่องไหนล้วหัวหน้าในี่าคัญเหมือนกับหัวจักรรถไฟ ้ารถไฟมันวิ่งไปตามถนนอยู่บินไปตามรางของมันอยู่ขบวนก็ต้องวิ่งตามหลังของมันถ้าหากว่าหัวของมันลงข้างถนนเท่านั้นนะไม่ไปตามรางเท่านั้นนะขบวนมันก็ต้องวิ่งตามอีกเหมือนกันผลจุกกะเสีย ห, า ย, า, หายเพราะอะไรเพราะ หัวเขาบวนไม่ไม่ดีเสียหลักไม่ไปตามกฎเกณฑ์นี้ก็เหมือนกันนะไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าผู้นําของโลกถ้าว่าผู้นําของโลกเป็นเป็นผู้ใหญ่ไม่อยู่ในร่องในรอยไม่อยู่ในกฎเกณฑ์โลกในยุคนั้นก็สระบนญพุ่นวยัย ะสับกระชายหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะผู้นำไม่ไป็นตามทํานองคลองธรรมประเทศชาติก็เหมือนกันหัวหน้างานทุกแผนกเหมือนกันหัวหน้าวัดก็เหมือนกันหัวหน้าการงานก็เหมือนกันเพราะนั้นเขาจึางเลือกสรรคัดสรรหาหัวหน้า บางทีเกิดเลือกหัวหน้าผิดเหมือนกันนะบางทีเลือกหัวหน้าคค่ว่าจะเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพอได้เป็นหัวหน้าขึ้นมาก็ลืมตัวพอมันมองเห็นไกลเลยพอกขายกให้เป็นหัวหน้ามันมองเห็นไกลมองเห็นผลประโยชน์อันนั้นก็น่าจะได้อันนี้ก็น่าจะได้ก็เลยมองขว้ามา เป็นของตัวทั้งหมดเดือดร้อนเลยทีนี้แต่ตามไม่จริงหัวหน้าต้องเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เสียสละที่เป็นหัวผู้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้บุกป่าพาดงถาวาเดินเข้าป่ากันพร้อมที่จะให้ต่อต่อต่อตัวต่อตัวแตนต่อย พอตัวตอแต้นต่อแล้วก็บอกหมูพวกป่อนเอ้ยตัวต่อแต้นลบก็หาวิธีการแก้ไขไปบางทีอาจจะเจองูเห่หางูจงอางก็ได้บางทีก็เสี่ยงเป็นหัวหน้าเหยียบขี้หมาก็เหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้มก็เหยียบก่อนเพื่อนพอเป็นหัวหน้าต้องเสียสละ นี่แหัวหน้าที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหัวหน้าไม่ดีพอเดินไปหน่อยหนึ่งกันนั้นมีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นกันมีแต่ทิ้งให้ลูกน้องทั้งหมดตัวเองลอยลําลอยลําไม่รับผิดชอบวความผิดยังงุนไม่ใช่ของผมเป็นลูกน้องเขาเป็นยังงุนอย่างงี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างงั้นไปบอกหัวหน้าไม่ดี หัวหน้าไม่รับผิดชอบหัวหน้าไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นผู้นำที่ดีถ้าว่าผู้หัวหน้าการงานก็ดีหัวหน้าแผนกก็ดีหัวหน้าที่เขาแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจะทำอะไรต้องคิดให้รอบขอบจะพูดอะไรออกไปก็ต้องรอบขอบอีก พูดแบบ ล, ลอยๆพูดแบบไม่หากฎเกณฑ์ไม่ได้ก็น่าขาดความน่าเชื่อถืออีกการกระทาออกไปกระทำแบบไม่มีเหตุมีผลเห็นแกพ่พรรคเียนแก่พวกเห็นแ ก, ก่แ ก, กลุ่มของตนเองการพูดก็เช่นเดียวกันแปลว่าขาดความน่าเชื่อถืออีกเพราะหัวหน้าไม่เป็นกลางหัวหน้าไม่เป็นธรรมนี่นะหัวหน้านี่ผู้ที่สัต กัดคัดสรรหาหัวหน้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคำว่าหัวหน้าหัวหน้าคำนี้มันตั้งชื่อได้อยู่ขึ้นมาก็จัดว่าเป็นหัวหน้าแต่เป็นหัวหน้าที่ดีนี่ต้องเป็นลักษณะเป็นผู้นำเป็นผู้กล้าได้กล้าเสียเป็นผู้เสียสละทานได้มาน้อยเอาแบ่งให้หมู่ไปให้กินไปตัวเองต้องยอมอด พอมันเป็นความผิดพลาดของตนเองเราเดินเดาเดินเกมผิดเราต้องยอมเสียสละให้กับลูกน้องบริวารนี่แหละหัวหน้าเลยผู้ที่จะเป็นหัวหน้าได้ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นผู้นำาะนั่นค จัดการจัดงานเรื่องอะไรก็ตามถ้าหาว่าหัวหน้าจับคนจัดคนมาถูกกับงานวางแผนงานที่ดีถึงกับงานนั้นจะยุ่งยากขนาดไหนก็ตามนานงานนั้นสำเร็จเกินครึ่งแล้วพอจัดคนเข้าไปในประจำงานประจำที่ดำเนินการดำเนินงานถูกต้องเมื่อจากนั้น พวกนี้ทำงานเท่านั้นอะ่ะงานทุกอย่างก็ไปหลไ ป, ปหไปตามเป้าหมายไปตามเป้าหมายตามจุดประสงค์ที่พวกเราจะให้มันไปนี่แหละจุดนี่แหะสำคัญมากถ้าหาว่าทงทางตั้งใครก็ตามหล่อแหละไม่เอาจริงจังไม่จริงจังพอมันพอเป็น พอจะมีเรื่องมีลาบมียศขึ้นมาเออกระดี่กระดาเข้ามาพอมันหนักหนักเข้ามาต่างคนต่างสลัดทิ้งเหมือนกับวัวล้อวัวเวียนเวลาไปดีๆก็ไม่เป็นไรแต่พอไปเจอของหนักเข้าไปเป็นที่เนินอะไรเข้าไปสลัดแอกทิ้ง น, นั่นแปว่าวัวล้อวัวเวียนคู่นั้นใช้ไม่ได้ ไม่รู้จักหนักเอาเบาสู้ืในเมื่อมันหนักมันก็ต้องมีการอยู่ในโลกนะในเมื่อมันเบามันก็มีมันเบาเพราะอะไรมันหนักเพรา ะ, ราะอะไรถ้ามันหนักเราก็ต้องคิดว่าจะช่วยยังไงจะทำยังไงจะจัดการยังไงในเรื่องนี้ที่มันหนักจะหาวิธีกรรมจะหาใครมาช่วยคิด หาพักหาพวกหาหมหาเพื่อนหาผู้มีสติปัญญาที่เหนือกว่าเข้ามาช่วยในเรื่องนี้เพราะมันหนักในเมื่อมันเบาแล้ก็เอ า, เ, อาเดินไปขอบใจขอบคุณทุกคนนี่แหละวิธีการทำงานมันต้องมีหนักมีเบาไม่ใช่ว่าจะเบาตลอดไม่ใช่ไม่ใช่จะหนักไปตลอดก็ไม่ใช่แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถึงจะหนักหรือเบาเราก็เป็นหน้าที่จะต้องทำวงเว้นเสียแต่ว่าเออมองแล้วเกินความจำเป็นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะไปแบกไปมันก็เท่านั้น เ, เกี่ยวย่ามุงเมืองอทำไปก็เท่านั้นใช่เกิดประโยชน์จริงอยู่แต่ว่าเกี่ยวญ่าเกี่ยวย่ามุงเมือง เมืองมันกว้างขวางเราจะไปเกี่ยวญานะมุงทั้งหมดจะไหวหรืออันนี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันอันนี้คำพูดของคุณแม่ชีแก้วนะท่านบอกทำอะไรต้องคิดนะเกี่ยวญามุงเมืองอกคนคนเดียวจะเกี่ยวง่าญาให้มันคุ้มครองทั้งหมดเป็นไปได้ยังไงอันนี้อันนี้ก็ต้องได้คิดแต่พอไม่มีความ ไม่มีความอุตสาหะวิทยะไม่มีการเฉลือเผื่อแผลเฉลยขนาดกระตอ๊อบตัวเองก็ยังไม่มุง่งจะจให้มุงให้คนอื่นได้เพึ่งพาอาศัยบ้างก็ไม่ทํทาทั้งที่พอมีกำลังที่จะทำได้อยู่อันนั้นก็าบอกเห็นแก่ตัวเองเหมือนกันนะไม่กว้างขวางอยู่กับชุมชนสังคมลำบากถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนั้นแปลว่า ต่างคนก็ต่างคิดเห็นแก่ตัวสรุปแล้วคือคืนนันะนี้นีไม่พ้นจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการสถานที่บุคคลอัตถันยุตาอัตถันยุตตาปฏิสันยุตตาปุคระปโรปรันยุตานี่สรุปแล้วคือคือนี้แหลำำะถ้าเราใช้ปัญญา คลี่คลายแล้วก็เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นะมีประโยชน์ในหลักธรรมคาสอนของพุทธนะให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักประมาณชุมชนให้รู้จักบุคคลให้รู้จักการสถานที่กาละเทสะล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาทั้งหมดในจุดนี้นะแต่ถึงอย่างไรก็ตาม อย่างที่หลวงพ่อไปพูดเมื่อวานไปงานศพของคุณยายที่น้ำโสมอายุ8ปดบกว่าปีให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะถึงยังไงให้สั่งสมบุญกุศลเขาจิตใจเอาไว้ในสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในในเรื่องนั้นในเรื่องสิ่งเดล่านั้นพยายาม ถึงจะเ ป, เป็นการเคยชินมาแต่ก่อน<ๆ>เกาเา่าก็เจงอยู่แต่ก็พยายามอย่าให้มันเกินไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องพยายามดูแลดูกายวาจาใจของตนเองประกอบคุณงามความดีไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างจากกันไปเดี๋ยวนี้อายุเขาเราเท่าไหร่แล้วให้ถามถามตนเอง ถามตัวนงอายุเราเท่าไหร่ปีนี้เราจะอยู่ไปอีกกี่ปีไม่ใช่ว่าเราจะยุยืนทั้งหมดจึงจะไปไม่ใช่น ะ, ะหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่นี่แหละเมื่อมันถึงจุดนั้นเรามีกระเป๋าของเราได้เตรียมพร้อมอะไรยังที่เราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้า บุญกุศลของเราเได้พร้อมหรือยังเตาคุณงามความดีของเราเพียงพอหรือยังเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดการวางแผนชีวิตของตนเองไม่ใชจ่จะวางแผนแต่การงานหัวหน้าการงานเท่านั้นเองนะไม่ใช่วางแผนทางโลกนะทางวางแผนอนาคตของตนเอง เ, อเพื่อจะไปสู่มรรคสู่ผลปรละโลกภายภาคหน้า อันนั้นเราก็ต้องวางแผนชีวิตของตนเองเหมือนกันเพราะหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะถาว่าเราตั้งหลักตั้งลำไม่ดีตั้งจุดหมายปลายทางไม่ดีเราอาจจะตกต่าก็ได้มันอาจจะเคว้งคว้างไปเนีเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ ภาวนาเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีเพราะนั้นเรื่องตั้งจิตตั้งใจนไม่มีทางอื่นในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสมาธิเท่านั้นผู้ที่จิตใจเป็นสมาธิจิตใจที่มั่นคงนั่นแหละก่อนที่มรณะภัยความตายเข้ามาถึงตั้งแต่ความแก่นั่นแหละความแก่มาน่ยก็คิดไว้แล้ว เราจะทำยังไงในเมื่อถึงคราวนั้นเพราะเราแก่แล้ว น, นี่นะต่อมาเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำยังไงเราจะวางใจยังไงจะรักษาอย่างไงในเมื่อรักษาไม่หายเราจะทำยังไงไเมื่อถึงข่าวนั้นเราจะตายเมื่อเราจะตายเราจะทำยังไงเราจะคิดยังไงเราจะปรับปรุงกายใจของเราอย่างไรใน คงสุดท้ายจุดนั้นแล้วก็ต้องได้คิดไว้อีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะคิดแต่วางแผนเรื่องการงานภายนอกอยู่ในโลกสร้างอย่างนั้นทําอย่างนี้หาเงินอย่างนั้นเอติดต่อคนนั้นคนนี้ออันนั้นก็แปลว่าทางโลกนะแต่ส่วนทำภายในใจของเราทุกคนเนี่ยต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะอต้องคิดให้รอบครอบถ้าว่าเรา ไม่รอบครอบเนี่เสียท่าเสียทีน ะ, อ, ะอย่างที่หลวงพอ่อเลยยกปัญาธรรมโศกหรือว่าภิกษุที่ห่วงผ้าจีบอลพอตายไปแล้วไปเกิดเป็นเล่นมีหลายเรื่องถ้าหาว่าพระพุทธองค์จะมาพูดแต่เรื่องนี้ในพระไตรปิฎกกคงจะมีแต่เรื่องนี้ทั้งหมดมันมีเรื่องมากต่อมากเรื่องจิตวิญญาณของ มวนมนุษยชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเพราะนั้นเราคือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนั้นคือตัวอย่างตัวอย่างของพวกเราถ้าเป็นอย่างนั้นแต่คิดอย่างนั้นต้องไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นที่เราจะคิดยังไงก่อนที่เราจะไปสู่สุขติภูมิเราจะไปสู่ความสุขในภูมิพบภูมิที่ดีขึ้น เราคิดควรคิดอย่างไรอันนี้ลหละเรื่องสมาธิเท่านั้นละ่ะที่จะควบคุมได้ถ้าจิตใจไม่มีสมาธิจิตใจ เ, เลื่อนลางยิ่งมีความมีเวทนาบ้าง ว, าว้าวีอ้างว้างที่จะหนีจากโลกบ้างห่วงหาอะไรไม่อยากจะตายบ้างาคิดลูกถึงคิดถึงลูกทังร้านวงสาคณาญาติบ้างปวดนิสูตรเท่านั้นแหละพอไปแล้วก็มาเกิดเป็น ตกแกบอกเป็นหนูบอเป็นมแมลงสาบในบ้านะนะสิเนี่ยเป็นไปได้ทางนั้นนะคณะทาญาทรวมลูกหลานทุกคนนะเพราะนั้นเรื่องจิตภาวนาเนะี่ยตั้งหลักตั้งลำตั้งจิตตั้งใจประกอบคุณงามความดีเนะี่ยมันต้องจิตใจมันต้องเน่งพอเน่งเราจะไปยังไง ร, ร, รู้จกักผิดรู้จักถูกรู้จักสิ่งควรไม่ควรนะแต่คราวนั้นแหละเป็นคราวที่ บุญกุศลจะเข้าไปเป็นเพื่อนสองเลย่านนถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราทําบาปอกุศลบาปอกุศลก็จะเข้าไปเป็นเพื่อนสองเราเล่านนี่เออเป็นผู้เป็นผู้นําเป็นผู้พาไปล่านนอบาปอกุศลพาไปไปทางต่ำนะลูกหลานคณะทาญาติโยมนะแต่บุญกุศลพาไปเนี่ไปสู่ความสุขความเจริญอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์เออเป็นมนุษย์กับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เลือกเกิดได้อีกต่างหากเพราะเราเป็นผู้มีบุญนะ่ะถ้าไม่มีบุญเลือกเกิดไม่ได้นะเหมือนกับเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้านะคนมีเงินไปเลือกซื้อของได้นะแต่คนไม่มีเงินเดีย๋ยวไปเลือกซื้อของได้ยังไงเพราะเงินตัวเองไม่มีนะนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าคนมีเงินคนมีบุญไปเลือกเกิดสถานที่ใดเกิดได้ทั้งหมดเกิดกับเศรษฐีตระกูลไหนตระกูลไหนเราจะเกิดอย่างไรในภพหน้าชาติหน้านนี่ เราเลือกเกิดได้นะคนมีบุญแต่คนไม่มีบุญเลือกไม่ได้นะน่อ้ไปพระสงค์อนุโมทนาให้พรและพ่อนัตตรีนนะ